มันก็จะเกิดผลเป็นความสงบจิตก็จะค่อยๆสงบขึ้นทีละนิดละนิดละนิดตั้งมั่นขึ้นโดยลำดับออกจากความปรุงแต่งพอร้อนกำลังจะคิดต่อก็หยุดหยุดมันก็ว่างว่างจากความคิดไปช่วงหนึ่ง ก็ได้สัมผัสความว่างบ้างตอนนี้มันยังดูไม่ออกแต่วันไหนที่ว่างเยอะขึ้นก็นจะดูออกแต่มันว่างแล้วล่ะว่างไปทีละนิดละนิดละนิดเสียงก็สับไปได้ยินไป ใจก็เป็นอุเบกขาฟ้าจะร้องลมจะพัดเป็นธรรมชาติเกิดเกิดดับดับไม่ยึดถือสักอย่างก็ไม่ทุกข์ เจ็บปวดคันชาก็เป็นเวทนาทางกายเกิดเพราะมีเหตุยึดถือก็ทุกข์ใจยึดถ่ายปวด ก็ปวดปวดเฉยๆอย่าไปปองปวดปวดน่ขันมันทำงานได้เองดูให้เห็นว่ามันทำงานได้เอง เดี๋ยวคืนนี้เราสวดอริยมรรคมีองค์แปดกันหน่อยนะครับเปิดไฟสวดมนต์